ปฏิบัให้มันต่อเนื่องจริงๆไม่ให้มันขาดระยะคือเราต้องกาหนดจุดพุกวินาทีนั้นเป็นการปฏิบัติและบางทีก็ต้องไปนั่งอันนั้นคุยอันนี้อันนั้นผ่านแล้วไม่ต่อเนื่องแหละมันไม่จะดุจโตที่หลวงพ่อทํำข่าวนี้คือไม่ต้องให้มีไหว้พระสวดมนต์และไม่ต้องมีวิทยากรมาอธิบายดังนั้นนี่คือต้องการอยากให้พวกเราุกคน ติดต่อเรื่องเหมือนกับลูกโซ่ติดต่อกันที่ที่ทํานี่ถ้าหากว่าเราทําแล้วเนี่วันนี้ทําขณะนั้นเดี๋ยวกถไปนั้นมานี่ไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมันกินเวลาละที่ว่าเราปฏิบัติติดวันคนนั้นน่ะเดี๋ยวก็ทําอันนั้นบ้างพูดอันนี้บ้างแล้วมาปฏิบัติบ้บางแล้วคนนึ่งอีกปฏิบัติเพียงวันเดียว และไม่ให้มีช่วงระยะ่าดให้มันต่อเนื่องจริงๆอะไรทําผูดคิดรู้อยู่เสมอคนปฏิบัติสิบวันอาจจะไม่ฟู้งหรือไม่เท่าเทียมกับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติเพียงวันเดียวดังนั้น่วนระยะเจ็ดวันนี้ผ่านไปแล้ววินาทีเดียวมันก็ผ่านไปหรือสัวโมงหนึ่งผ่านไปมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็เลยนานรู้นานเข้าใจ การปฏิบัติอันนี้อาศัยการปฏิบัติความรู้อันนี้เกิดขึ้นในในในการปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นพวกควมรู้แล้วไปคิดเอาเป็นนึกเอาแล้วไปถามคนนั้นไปถามคนนี้อันนั้นลดความร้อนเราไม่ได้ลดความผิดผูกไม่ได้พูดง่ายๆเลยว่าลดมานะทิฏฐิไม่ได้คนนั้นพูดให้เราจะพอใจไม่พอใจจะมีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ถ้าขมรู้วเนี่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพูดข่มจริงให้ฟังผลของการเจริญสติอันเนี้ทําอย่างนี้แหละไม่ต้องทําอะไรให้มากไม่ต้องไป น, นึกหาบุญคุณของพ่อแม่ปรูบาอาจารย์นั่นนี่ไม่ต้องพูดมากและก็ไม่ต้องคุยมากทำให้มันต่อเนื่องกันเหนื่อยแล้วนางยืนขึ้นทํา ยืนขึ้นทำเหนื่อยกันยืนแล้วเดินจงกมเดินก่อนเดินสตาราจะไม่เดินเดินไปจงพ่อเดินน้อยๆหอกันไม่ใช่น้อยนะเดินทางสั้นๆควกุติถ้าหักมันร้อนมันเดินอยู่ที่เดียวก็ได้เดินอยู่ทัมันร้อนเดินจะไม่ห้องกำหนดให้มันรู้จริงๆเนี่ยหมุนตัวเองอยู่ที่นี่ให้กำหนดมันไม่ใช่ไปแท่งกันจ้ออยู่กันนี่จะไม่เอา ทำให้มันสบายจะเพียงให้รู้สึกตัวเท่านั้นเมื่อทําอย่างนี้แล้วก็นั่งลงนั่งลงแล้วก็ทํามันทํามันจริงๆริงเนี่ยเดี๋ยวทําเพื่อให้ถอนชีวิตเราชีวิตเราเคยถูกล่มจมสูญหายไปที่ไหนไม่รู้เราจะทําเพื่อแลกเปลี่ยนอดชีวิตเราคืนมาเท่า น, นั้นเพื่อให้รู้ชีวิตของเราเป็นอยู่ยังไงมายัางไงเราจะรู้ คุณรู้อันนี้เมื่อรู it, like dogs, ้เข้าไปแล้วมันจะไม่หลงมันจะไม่ลืมเหมือนกับท่านกําลังทานอาหารอยู่นี่แหละปากเราชุดี้ไม่จะหลับตาเอาเข้ามามันก็เข้าไปในปากเราได้จริงๆมันจะไม่หลงเอาเข้ามาในซองจมูกซองหูมันจะไม่หลงไม่ลืมอย่างนั้นแหละตั้งใจมันก็เข้าปากไม่ตั้งใจมันก็ไม่เข้าปากมันจะไม่เอาไปใส่ที่อื่นมันจะไม่หลงไม่ลืมมันจเห็นชัดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ต้องไปเรียนเอาคำทีวินัยที่ไหน่ะ เพราะมันมีในเราตัวปัญญาตัวนี้ตัวสติตัวนี้หรือตัวสัมาธิตัวนี้มันมีอยู่แล้วฉังนั้นจึงว่าช่วระยะเวลาสั้นในระยะหกเจ็ดปันเนี่ยต้องทํามันจริงจริงและก็ต้องปฏิบัติจริงๆเพื่อให้มันรู้จริงๆถ้าไม่รู้นี่ยว่าเราก็ต้องเสียเวลาหลวงพ่อเคยทดลองมาแล้วอันที่กำหนดเจ็ดปันเด็ดน้อยเนี่ย ปฏิบัติไม่เกินห้าวันรู้จริงๆเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องนรกสวรรค์เรืองงามยามดีเนี่ยเขาจะไม่กลัวเด็กน้อยกับสร้างคนแก่ก็ได้แต่คนแก่บางคนก็สิบวันสิบห้าวันยังรู้บึงต้นแต่พวกมาที่นี่คงจะเคยผ่านการปฏิบัติมาแล้วคงจะรู้แล้วบางคนเรื่องลูกเรื่องนามเรื่องลูกทำนามทำ เรื่องลูกโลกนามโลกทุกขังอนิจจังอนัตตาเรื่องสมมุตินี้้วกศาสน า, ศาพุทธาศาสนาบาปบุญนรกสวรรค์นี่ยคงจะรู้มาแล้วเป็นบางคนบางคนอาจได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดให้ฟังจดจำเอาอันนั้นแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เมื่อไปเข้าสังคมแล้วก็เอาแหละบัด น, นั้นอ่ะเดือดร้อนเพราะเราเชื่อตัวเองไม่ได้ ถ้าหากความรู้อันนี้เกิดขึ้นแล้วมันเสื่อมมั่นในตัวเองละได้เรื่องติงเซ ต, ติดมึนเมาเนี่ยละได้จริงๆหลวงพ่อหลวงพ่อรู้ระยะนั้นหลวงพ่อติดบุหรีหลวงพ่อยังสูบบุหรีอยู่ไปปฏิบัติคนระัรมแต่ไม่ได้ไม่ได้ยินใครแล้วพูดให้ฟังเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็เลยรู้ทันทีคือข้าวเนีพวกท่านทั้งหลายกําลังเขี้ยวเข้าในปัญจทุกข์ทุกอันนี้แก้ไม่ได้อะไ แล้วนน้ำลายลงไปในคอจะกลับเป็นทุกข์แล้วจริงเขายังมีน้ำไปเอาของสิ่งที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรมาทําให้เราเดือดร้อนนี่มันเข้าใจอย่ากนะี้จริงๆเลิกได้จริงๆเด็ดขาตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวนี้นี่แหละเลิกได้เรื่องบุหรีหรือสุลากันชาเฮโรอีนฟินเตอนเหล่านี้ละ่ะไม่แตะต้องจริงๆเห็นว่าสิ่งเหล่านั้น่ะเป็นทุกข์จริงๆอันเนี้ยไม่กินไม่ได้มันตายแล้ว่นเะข้าใจอากา ข้าวนั้นไม่กินไม่ได้ตายจําเป็นต้องกินประทังเพื่อให้สีทิตทรงอยู่ได้เลิกได้จริ ง, รงๆเรื่องนี้เมื่อรู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วเลิกได้เลยคนที่ยังเลิกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะ่ะเป็นว่ารูจ้จํารู้จักเพราะการรู้จักรู้จํารู้จักไม่ใช่รู้แจ้งรู้จริงจึงเลิกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นจินตยาน ผมรู้ซะนิดหนึ่งปฏิบัติไปโอ้มันเป็นทุกขนะ์ไม่ยานั้นเลยแต่บันเห็นเราเป็นเป็นทุกข์ตรงนั้นมันไม่ได้เห็นตัวสภาพภาวะทุกข์จริ ง, งคนนั้นจึงเลิกไม่ได้แต่ว่ารู้เข้าอันนั้นไม่ใชรู้ออกรู้เข้าผมรู้จึงมีการรู้เข้ารู้ออก